แต่ขราวนี้เราคิดจะสู้ขึ้นมาเนี่ยสมมติสู้ไปสิบครั้งคุณชนะแค่ครั้งเดียวก็เหอะก็ยังดีกว่าเก่าอยู่เลยใช่ไหมหรือแม่ข่าวนี้คุณดูนะฟังดีๆเราตั้งใจเราตั้งจิตขึ้นมาเลยเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วว่าเอออย่างเงี้ยถ้าเราสู้กับกิเลสนี่เราต้องดีกว่าเก่าแน่นอนแต่ปรากฏว่าคุณสู้ไปสิบครั้งนี่นะคุณแพ้หมดสิบครั้งเลย แล้วคราวนี้จะคิดยังไงจะคิดยังไงนะที่จริงไอ้ประเด็นนี้อาตมาก็พูดให้พวกเราฟังบ่อยๆนะว่าต่อให้คุณเนี่ยสู้ไปแล้วเนี่ยสู้ไปสิบครั้งคุณแพ้ทั้งสิบครั้งเลยก็ตามแต่ส่วนที่คุณชนะมีอยู่แต่คุณคิดเป็นหรือเปล่าล่ะแล้วอาตมาก็เคยพูดอยู่บ่อยๆว่า ต่อให้คุณสู้แล้วแพ้เนี่ยแต่ถ้าคุณยังสู้อยู่เนี่ยจริงๆแล้วคุณแพ้หรือเปล่ายังไม่แพ้แพ้ยก็เรายังจะสู้ครั้งที่สิบเ็ดครั้งที่สิบสองหรือครั้งที่ร้อยเราก็ยังจะสู้อยู่คนที่แพ้เนี่ยคือคนที่ไม่สู้แต่หากือเลิกสู้แล้วนะ่นะถึงจะเรียกว่าแพ้โดยสมบูรณ์อแต่นี่เอาเรายังไม่ยอมแพ้เรายังจะสู้อยู่อีกอะ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราแพ้เนี่ยไม่ได้หรอกมันจริงๆเนี่ยมันยังเสมอตัวอยู่ถ้าถ้า ถ, ถ้าคุณคิดยังไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวเราเองจนเกินไปนะจริงๆเรายังเสมอตัวอยู่เลยเพราะว่าบอกแล้วไอ้แต่ก่อนเราไม่สู้เลยอะ่ะเราก็แพ้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้ไม่สู้เลยเนี่ยมันแพ้นีรันการอยู่แล้วแต่นี่เรายังคิดสู้คุณดูนะเพราะฉะนั้นที่คุณได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่ถือว่า เป็นความชนะคือความคิดที่เรายังคิดสู้กับกิเลสนี้อยู่ซึ่งเราคิดสู้แล้วเราก็ลงมือสู้ด้วยไม่ใช่คิดด้วยลงมือสู้ด้วยนี่อ้าวเพราะนั้นสักวันชนะแน่เพียงแต่ <c oughs> เพียงแต่ว่าจะกี่ครั้งนะร้อยครั้งอาจจะยังไม่พออาจจะต้องถึงพันครั้งแต่ต้องชนะแน่ พันครั้งไม่พออาจจะหมื่นครั้งก็ได้คนเราเนี่ยเนี่ยบางทีคุณนึกเหรอือว่าชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยคุณจะบรรลุธรรมหมดทุกเรื่องอะ่ะใช่ไหมอู้หไม่ง่ายหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> กี่ร้อยชาติกี่พันชาต์ไม่รู้นะอู้หเยอะแยะไปหมดอะ่ะมันเหมือนกันเราสู้กิเลสเนี่ยบางทีเนี่ยสู้เป็นพันเป็น แสนเป็นล้านครั้งเลยชาตินี้จนกระทั่งตายเลยนะสู้จนตายอะ่ะไอกิเลตัวเบิ่มเนี่ยเรายังอาจจะไม่ไม่บรรลุอะ่ะคือไม่ชนะในชาตินี้ก็ยังได้เลยมันยังจะต้องไปสู้ในชาติหน้าอีกแล้วนี่ก็เป็นความจริงด้วยนะที่พูดเนี่ยราดอาตมาถึงบอกคนที่ไม่รู้สัจจะแล้วคนที่คิดไม่เป็นเนี่ย พอสู้ไปบางทีแหมสู้ไปแค่สิบครั้งเองแพ้ทั้งสิบครั้งแค่เนี้ยไม่เอาละเลิกหนีดีกว่าถอยดีกว่าแล้ว <c oughs> นะถ้าอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอีกไม่รู้กี่กี่ล้านชาติ <c oughs> นะฮะกว่าที่จะหาทางเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้เพราะเนี่ยทั้งห้าตัวเนี้ย ซึ่งพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นอินทรีห้าหรือเป็นพระห้าท่านบอกเลยว่าอันนี้จริงๆเป็นกําลังของเรานะเพราะถ้าคุณในห้าตัวนี้นะในการปฏิบัติธรรมคุณทุ่มกําลังคุณไปให้เต็มที่คุณใช้กําลังของคุณไปให้สุดแรงของคุณเลยในชาตินี้ที่คุณมีในห่อห้าข้อเนี้ยจนถึงข้อที่ที่ ปัญญีนีนั่นเองก็คือปัญญานั่นเองการพิจารณาเนี่ยนะถ้าคุณใช้ทั้งหมดนี่เลยนะทั้งห้าข้อนี้เลยแต่ต้องทุ่มเทบอกแล้วยิ่งกิเลสตัวใหญ่ตัวหนาของเราโอ้โหคุณเอ้ยไม่ง่ายหรอกกิเลสโทสะเนี่ยนะตัวโกรตัวเกียรชังในสายความเกียรชังนี่นะคุณยังเห็นกิเลสง่ายคุณยังเห็นทุกข์ได้ง่ายแล้วคุณยังจะ เลิกลดละนีง่ายง่ายกว่าตัวกามง่ายกว่าตัวราคะตัวกามตัวราคะนี่เห็นยากกว่าเพราะยังโดนความสุขแบบโลกโลกโลกีเนี่ยมันหลอกหลอกเอาไว้หลอกที่ ท, ที่ที่ทำให้เราเป็นกิเลสหนาตัวนั้นเน่นะมันหลอกเราเอ า, เอาไว้ไอไอความสุขพวกนี้มันจะมาหลอกความสุขแบบโลกีนะซึ่งจริงๆมันเป็นทุกข์แต่เราเนี่ย ไปโดนยั่วย้อมในโลกเนี่ยมากเหลือเกินจนเราคิดว่ามันเป็นสุขแล้วไอ้ความสุขแบบนี้แหละที่มันคอยมาหลอกมาหลอนเรามาหลอกมาหลอนเราอยู่ตลอดทําให้เราเลยเห็นทุกขจากกามทุกจากราคะเนี่ยยากยากมากๆยากกัเห็นโทสะแต่บางคนเนี่ยขนาดเรื่องกามเนี่ยนะเห็นยากกว่าเนี่ย โทรศั์เห็นง่ายกว่าโทรศัพท์ยังเลิกไม่ได้เลย <c oughs> คุณคิดดูเอาก็แล้วกันโทรศัพ์ยังเห็นไม่ได้เลยตั้งแต ท, ที่ทุกทุกทีอ่ะโทรศัทขึ้นทีไรบางคนชัดเลยโทรศัพทขึ้นเงี้ยผมชี้เลยห <c oughs> ัวตั้งเลยนะเนี่ยผมเนี่ยโอ้โหหน้าก็แดงอืบางทีนี่ตัวเตอนี่ร้อนชาเลยนะเวลาโกรธขึ้นแรงๆอะโกรธขึ้นแบบแบบคนที่บอกแล้วนะ กิเลสยิ่งหนาเท่าไหร่เนี่ยสายโทรสาก็ยิ่งโหแรงมากเลยบางคนไม่ใช่แค่แค่ตัวแดงนะสันเลยบางคนเนี่ยโหสันเลยคุณเคยเห็นมล่นะโหตั้งตัวเลยนะปากสันเนี่ยจะดาเนี่ยหมึปากสันเลยที่มือเนี้ยชี้เนี่ยโหสันตัวเนี่ยละลิกๆิกเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นว่าเนี่ยขนาดโทรสาเนะ่ย คุณเห็นทุกชัดๆเลยยังไม่ทําไปเล่นงานเขานะคุณจะแย่อยู่แล้วอ่ะบางทีหัวใจวายอาจจะวายก่อนก็ได้ <c oughs> โกรธไปแล้วโอ้โหโกรธที่มันรุนแรงนะอะไรมันขึ้นมาเนี่ยความร้อนสูงมากเลยถ้าถ้าถ้า ถ, ถ, ถ้าเอาปลาหลอดได้ทันนะรีบเอาให้อมนะโอ้โหจะเห็นเลยว่าโอ้โหเวลาเราโกรธจัดโกรธแรงๆเนี่ยเผาผ่านมากเลยความร้อนนี่ขึ้นสูงมาก เขาเคยมีเครื่องวัดอ่พวกนักว like ิทยาศาสตร์เขามีเครื่องวัดเวลาเวลาคนธรรมดาเนี่ยจริงๆจะมีไอร้อนออกมาเนี่ยเนียรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีไอร้อนออกมาขนาดหนึ่งแต่พอเวลาโกรธนี่นะเขาเขาใช้กล้องพิเศษถ่ายเวลาโกรธเนี่ยโอ้โหจะเห็นเหมือนไอ้นั่นน่ะไอเวลาเราต้มน้ำเดือดอะไอกาที่มันมีปากอะไรนะพวยพวยกา ออโอ้โหมันพุ่งออกมาเนี่ยโอ้โหเวลาเขาถ่ายรูปมานะเวลาโกรธ ม, มันกร็กระจายออกมาอย่างนั้นเลยมาเคยดูนักวิทยาศาสตร์เขาบีบกล้องพิเศษที่เขาใช้ถ่ายไอออุณภูมิความร้อนของร่างกายคนเนี่ยนะเขาเขาถ่ายมาให้ดูโอ้โหมันขนาดนี้เลยแล้วคุณจะตกใจเลยว่า ม, มันอย่างนี้จริงๆแล้วคุณดูสิ เนี่ยความโกรธความเกลียดชังเห็นทุกชัดชัดอย่างเงี้ยบางทียังบอกแล้วยังไม่ค่อยยอมเลิกเลยพขณะเห็นทุกชัดชัดนะทั้งทั้งที่คุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณต้องมีตัวเชื่อมัน่น <c oughs> คุณต้องต้องพยายามขยันที่จะจะเลิกมันอยู่แล้ว อ, อความบุญหงิดความรําคาญอะไรพวกนี้นะมันอยู่ในสายโทรสายทั้งสิน้นบางทีเรายังเห็นเลยว่าโหเห็นทุกชัดชัดอย่างเงี้ยบางทียังไม่ค่อยเลิกเลยแล้วถ้ากามเนี่ย มันเห็นเป็นทุกข์ยากใช่ไหมแต่มาบอกได้เลยคุณเลิกยากกว่าอีกหลายเท่าเลิกยากกว่าอีกหลายเท่าเลยเพราะมันรู้ได้ยากทุกครั้งเลยพอเวลาเวลาพอมาสู้นะกับเรื่องการเนี่ยพอเวลาคุณมาสู้นะคุณชักต้องฝืนใจคุณชักลำบากขึ้นมาหน่อยอะ่ะที่ที่มันต้องลำบากเนี่ยเพราะว่ามันฝืนความชอบของเราไง การเนี่ยมันเป็นความชอบเป็นความยินดีเป็นความพอใจอ่าพราะมานมาฝืนความชอบของเราเนี่ยโอ้โหคุณรู้ไหมยากมากๆเลยมันจะไม่ยอมใจคนเรามันจะไม่ยอมไม่ต้องไปพูดถึงไออะไรอะตัวตนบุคคลเลยเดี๋ยซ้ําแค่บางทีเนี่ยเราชอบกินอะไรอร่อยๆคุณไปลองสู้ดูสิคุณลองสู้ดูโอ้โหไปเห็นเข้าบางทียิ่ง โอ้โหถูกใจมากเลยนะว่าอืหนี่กําลังอะไรอะ่ะกําลังพอดีเลยนะทุเรียนอีกแล้ว <c oughs> นะโอ้โหกําลังอะไรนะไม่เออกาลังไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปโอ้โหเนื้อก็ไม่เละเนื้อก็ไม่แข็งเกินโอ้โหกําลังพอดีเลยนะบที่ยังห้ามใจไม่อยู่เลยแค่เนี้ทั้งทั้งที่มัน มันไม่มีปากมันพูดไม่ได้ยั่วยวนอะไรไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองอนะมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันอยู่เฉยๆของมันมันอยู่ในเปลือกเปลือกหุ้มมันด้วยซ้ําไปก็ยังอุตส่าห์ไปแบะโลกมันออกมาให้เห็นเนื้อมันให้ได้เอ้คุณคิดดูก็แล้วกันใจอดไม่ได้ถึงขนาดนั้นยิ่งคราวนี้มันมีกลิ่นออกมาด้วยโอ้โหนะกคนที่แพ้ก็คนที่แพ้ก็ให้ให้พิจารณา เห็นโทสะนะคนที่เกียร์เกียร์ทุเรียนเนี่ยก็ให้พิจารณาเห็นโทสะของเราตัวเกียรตัวชังแต่พวกที่ชอบกันเนี่ยพิจารณาเห็นตัวดูดตั ว, ต, วตัวเป็นกามเป็นราคะของเราแล้วคุณจะเห็นเลยว่าโอโ้โหบางทีเนี่ยแค่สู้กับไอ้พวกวัตถุพวกข้าวของนี่เรายังบางทีเยยอมแพ้อยู่เรื่อยเลยยอมแพ้โดยสมัครใจเท่านั้นนะ แทบจะอะไรอะ่ะแทบจะสติอะ่ะความระลึกรู้ตัวนี่เรียบหมดเลยตาบาก็ตั้งแล้วศีลก็รับแล้วแต่พอนั้นตัวตัวที่สามนี่หายหมดเลยจริงๆมันจะมาแล้วมันจะมาเตือนเนี่ยแต่รีบปิดประตูปิดหน้าต่างหมดเลย <laughs> ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามาเพื่อที่จะได้เพราะว่าถ้าเป็น คนที่มีสัมมาทิฏฐิจริงเนี่ยมีศรัทธามีความเชื่อมั่นจริงแล้วคุณห้ามไม่ให้มีสติบ้างเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้สติมีแน่นอนมาแน่นอนรับรองคราวนี้มันเหลืออยู่แต่คุณจะพยายามแกล้งเท่านั้นนะแกล้งลืมลืมแกล้งไม่คิดถึงแต่จริงๆมันมันมันคิดถึงอยู่นะแต่มันแกล้งไม่คิดถึงแล้วก็พยายามทําจิตว่างๆนะตอนเนี้ย พยายามจะแก้งคำจิตว่างๆไม่คิดถึงไม่คิดถึงแล้วก็มือก็ไปหยิบมาแล้วก็กินหรือว่าทำตามที่เราอยากจะทำเนะ่ตามใจตามกิเลสเราแล้วนี่แหละคืออิทธิพลคืออํานาจของกิเลสที่มันสะสมมันแฝงลึกอยู่ในใจเราเขาถึงใช้คำว่าเป็นอาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่มันหมักหมมเขาเรียกว่าแหมาภาษาเขาใช้อะไร หมักดองหมักดองอยู่ในกำมลสันดาลของเราเขาใช้ภาษาแบบนี้เลยนะว่าโอ้โหมันสิงอยู่ในใจเราเนี่ยโอ้โหมันร้ายอย่างนี้นี่เองเพราะฉนคนที่ที่มีกเิเลสตัวหยาบตัวหนาอะไรซึ่งเรารู้ดีกว่าใครในโลกเนี้ยไม่มีใครรู้ดีเท่าเราอะเราจะรู้ดีที่สุดเพราะฉนคุณจะต้องพยายามไปใช้ห้าตัวเนี้ยพยายามใช้ห้าตัวเนี้ยเสมอเสมอ ทุกวันเลยไปใช้ห้าตัวเนี้คอยใช้เรื่อยๆใช้บ่อยๆใช้ทุกวันใช้ทุกเวลาถ้าห้าตัวนี้คุณแก่กล้านะเข้มแข็งคุณจะบรรลุทําได้ไวกิเลสคุณจะลดลงจะเบาลงทันทีแล้วพอกิเลสคุณลดลงเบาลงปั๊บคราวนี้คุณจะไม่ทุกข์เหมือนเดิมเลยคุณจะสู้กิเลสโดย คราวนี้สู้แบบสบายๆ ส, สู้แบบสุขละคุณจะไม่สู้แบบทุกคนที่ต้องสู้กิเลสแบบต้องกดข่มมากต้องทุ่มเทยอย่างอะไรอ่ะหนักหน่วงอย่างเต็มเหนียวเนี่ยนะแล้วก็ต้องฝืนใจกันสุดๆเลยเนี่ยตอนนี้ใหม่ๆเนี่ยทุกมากแน่นอนต้องสู้ไปจนกระทั่งเรียกว่าคุณต้องชนะมากกว่าครึ่ง คุณต้องชนะกิเลสตัวนั้นของคุณต้องมากกว่าครึ่งอย่างน้อยๆคุณต้องสู้ไปได้ถึงแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยคุณต้องสู้ได้ถึงขนาดนั้นกิเลสตัวนั้นของคุณยังมีอยู่นะไม่ใช่หมดแล้วนะแต่คราวนี้คุณจะสู้แบบสบายขึ้นแล้วคุณจะไม่ต้องฝืนเหมือนเดิมเลยคราวนี้นะคุณจะสู้โดยจริงๆแล้วถ้ามันเหลือแค่สิบยี่สิบอะไรพวกนี้นะคุณสู้แบบสบายมากเลย บางทีใช้แค่การฟังธรรมใช้แค่การพิจารณาใช้อะไรปรั๊บคุณสามารถปรับได้เลยค่ากิเลสแล้วก็ปรับจิตคุณได้เลยสามารถอย่างนั้นได้จะสู้แบบสบายสบายสู้แบบเปาๆ เ, เห็นัหมละ่ะคนที่เขาสะสมกิเลสตัวนั้นมามันอ่อนๆลงแล้วกิเลสนะจะให้เขาเลิกไอ้โน่นให้เขาเ ล, ละไอ้นี่วุ้ยง่ายมากเลย แต่เราไปติดอะไรเนี่ยสมมติติดดูหนังติดฟังเพลงติดเที่ยวเตเรติดอพยามุกอ่าหรือว่าติดอาหารการกินติดไอเสื้อผ้าแพพันอะไรอย่างๆพวกเนี้ยโอ้โ ห, โหเรารู้เลยกว่าเราจะเลิกได้ย า, ยากจริงๆแล้วเลิกแล้วก็เดี๋ยวก็บางทีเลิกแล้วไอตอนที่สู้อยู่เนี่ยเลิกแล้วนะชนะแล้วชนะมากกว่าเนี่ยนะ แค่น้อยกว่าเนี่ยคุณยังรู้เลยว่าโอ้โหจิตเราเนี่ยมันยังโหยหาอยู่เรื่อยเลยมันมันจะกลับอยู่เรื่อยจะกลับอยู่เรื่อยเลยถ้าคุณไม่มั่นคงคุณไม่เข้มแข็งจริงมันจะกลับอยู่เรื่อยจะไม่กลับคืนเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเท่านะกิเลสตัวนั้นนะคุณต้องฆ่าตายสนิทหรือเราใช้คําว่านิพพานกิเลสตัวนั้นน่ะคุณต้องฆ่าได้สนิทเลย ต้องนิพพานในกิเลสตัวนั้นให้ได้ถึงจะไม่มีการกลับคืนมาอีกแต่ถ้าตาบใดเนี่ยกิเลสราคะโทสะหรือว่ามานะตัวไหนของเราก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยยังฆ่าไม่สนิทกลับคืนได้กลับคืนได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากประเด็นนี้ไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดอยู่อีก แต่พูดโดยอะไรอะ่ะโดยข้อปฏิบัติให้ให้พวกเราฟังเพื่อที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆของเราห้าข้อเนี้ยอินทรีย์ห้าหรือพระห้าเราได้ยินบ่อยเราได้ฟังบ่อยแต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าคุณเอาไปใช้ไหมคุณคุณไม่ต้องเรียงข้อก็ได้แต่ห้าข้อเนี้ยคุณคุณไปไประลึกให้มันเป็นอะไรอะ่ะ เป็นตัวตนเป็นเป็นชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยคุณลองไปดูซิไปทบทวนตัวเองดูซิว่าคุณใช้บ้างไหมเนี่ยห้าข้อนี้เวลาคุณจะหยิบจะจับจะกินจะนอนจะทำงานห้าตัวนี้มันขึ้นมาบ้างไหมในการปฏิบัติธรรมของคุณถ้าในการปฏิบัติธรรมของคุณไม่มีเลยห้าตัวนี้บอกแล้วพอพรษะ เจอปัญหา <c oughs> เจออุปสรรคหรือว่าเจอทุกข์อะไรขึ้นมาปับ๊บมีขึ้นมาบ้างไหมตัวเนี่ยสี่ห้าตัวเนี้ยขึ้นมาบ้างไหมหรือไอ้ที่ขึ้นมาก็บอกแล้วกิเลสตัวเก่าของเราขึ้นมาทุกทีเลยถ้าอย่างนี้ไม่มีวันไม่มีวันจะฆ่ากิเลสตัวนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่จะ ค่ากิเลสตัวนั่นๆของเราซึ่งเรารู้แล้วบางทีขนาดต่อให้เราไม่รู้นะมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่กลุ่มมีพักพวกมีเพื่อนฝูงแบบนี้ถึงคุณไม่รู้เขาก็จะให้คุณรู้หันพักพวกเพื่อนฝูงเขาจะให้ขุมทรัพย์เขาจะชี้แนะเขาจะบอกกล่าวเขาเนี้ยอยู่ที่เราอะว่าเขาชี้แนะเขาบอกกล่าวแล้วเรายอมรับแค่ไหน บางคนนะมันบังนะมันบังคนอื่นเขาชี้เขาบอกเนี่ยซึ่งอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้พันจะรู้ว่าถูกหรือผิดต้องพิจารณานี่ข้อนี้ข้อห้านี้คุณจะต้องเอามาพิจารณาพันถ้าคุณมาพิจารณาอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่ตลอดเออเขาว่ามาอย่างนี้คนนั้นก็ บ, บอกคนนู้นก็ บ, บอกเออให้ขุมทรัพย์มาถ้าพิจารณาแล้วปรากฏว่า ผิดเขาไม่ถูกอ่าแต่เราเองเนี่ยเอเราจะหลอกตัวเราเองหรือเปล่าวาอามีเหมือนกันใช่ไหมถ้าตรงนี้คุณว่าเออเราเองเราอย่าประมาทเลยนะถ้าอย่างนั้นเราลองดูซิลองไปถามใครที่เราคิดว่าคนเนี้ยรู้จักเราดีแล้วก็คิดว่าคนเนี้ยไม่ไม่มาอาคติอะไรกับเราลองถามคนที่สนิท ก, กับเราอ่ะที่เราคิดว่าเราเร า, เราพอ ไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าเขาไม่มาลำเอียงอะไรกับเราลองถามที่ว่าเนี่ยมีคนว่าฉันมาอย่างนี้จริงไหมเออลองถามดูถ้าคนนั้นก็ยุติธรรมจริงนะแล้วคนนั้นก็ไม่ไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังอะไรด้วยนะคนนั้นก็พยายามพูดให้ใ ห, ให้ตรงที่สุดเท่าที่เขาคิดว่าถูกต้องที่สุดเราก็คราวนี้ถ้าเราไม่ประมาทถ้า คนสนิทคนนี้ของเราบอกมาอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงอาตมาว่าเอาละเขาเนี้ยถ้าพูดมาตามที่เราพิจารณาอ่าอันนี้เราก็ถือว่าเราถูกเราไม่ผิดละแต่ถ้าเขาพูดมาแล้วเหมือนกับที่คนอื่นตาหนิเรามาว่าเรามาเอาละเขาเนี้เราก็อย่าประมาทเลยอย่าไปหลงตัวเองหรืออย่าไปหลอกตัวเองเลยก็น่าจะยอมรับแล้วก็ ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองดีกว่าเพราะจะทําให้เราดีขึ้นแล้วก็พัฒนาขึ้นนะเอาวันนี้ก็คิดว่าเนี่ยห้าตัวเนี้ยไปมันไปมันใช้ในชีวิตให้ได้ถ้าห้าตัวเนี้ยใครยังเนี่ยเนี้ยไปทํางานไปอะไรแล้วยังไม่ขึ้นอยู่ในสมองนี่นะคุณยังไม่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมอะแล้วคุณจะไม่มีวันพ้นจากทุกข์แล้วก็ได้สุข ในโลกุตละได้เลยอ้าวันนี้คงฝากไว้เช่นี้